เจสีมาสมูหานนาว่าด้วยการถอนสีมาเรื่องสมมุติสมานสังวาสสีมาก่อนพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสมมติสีมาพึงสมมติสมานสังวาสสีมาก่อนพึงสมมติแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวในภายหลังภิกษุทั้งหลายเมื่อจะถอนสีมาพึงถอนแดนไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรก่อนพึงถอนสมานสังวาสสีมาในภายหลัง